ตอนนี้ไปให้พากันตั้งใจตั้งใจฟังและก็ตั้งใจกำหนดจิตเพื่อความสงบในการฟังและเพื่อความสงบในการกำหนด คือเรามีการสำรวมระมัดระวังในความชิดของตัวเองที่มันชิดมากที่มันปรุงมากที่มันแต่งมากความชิดนั่นแหละถึ่มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากไหนละ่ะ ถ้านอกจากจิตแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาคิดความจิตมันจึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากจิตเมื่อรู้ว่ามันเกิดขึ้นจากจิตและเป็นต้นของความจิตเราก็สมควรที่จะสํารวม และระมัดระวังความคิดของตัวเองด้วยสติคือความระลึกสำปัญญาก็ได้เกี่ยวความรู้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละให้รู้เท่าเอาทันแห่งความคิดของตัวเองเพื่อเราจะได้ หาความสงบระงับให้แก่ความคิดหรือว่าให้แก่กิจของตัวเองแต่การที่เราจะทำให้มันสงบหลักของความสงบหลักของการกระทาเราก็ได้ศึกษาและก็ได้ทราบกันอยู่แล้วและก็เคยกระทากันอยู่แล้ว ก็ได้แก่การที่เรามากำหนดก็กำหนดตัวเรานั่ยล่ะก็คือกำหนดลมนั่นล่ะก็ลมหายใจเข้าและก็ลมหายใจออกอันนี้ล่ะสำหรับเบื้องต้นที่เราจะต้องกระทำหายใจเข้าเราก็าพุทหายใจออกเราก็าโท เราก็มีความสำรวมอยู่ในพุทธสำรวมอยู่ในโทรเราไม่ต้องเอาอย่างอื่นเข้ามาปะปนเอาสิ่งไหน ก, ก็เอาสิ่งนั้นเรากำหนดอะไรเราก็กำหนดอย่างนั้นอย่าให้มันสับสนอย่าให้มันปะปนกัน ที่เราทำอย่างนั้นมันเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อความสงบนั่นะถ้ามันสงบแล้วนะมันจะได้ประโยชน์อะไรกับความสงบ น, นะถ้าประโยชน์ความสงบไม่มีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าน่ะคงไม่เป็นประโยชน์ กับผู้ปฏิบัติที่เราปฏิบัติเพื่อความสงบเนี่ยประโยชน์ของความสงบนั้นอนะ่ะก็ได้แก่วความสุขความสุขนั่นแนหะมันเกิดขึ้นจากความสงบอันนี้มันเป็นประโยชน์ประโยชน์ของการปฏิบัติเมื่อความสุขมันมีแล้วนะ่การกระทําของเราเนะ่ะ มันก็สะดวกแม้ก็ทั่งถึงความคิดมันก็คิดโวยความสะดวกแม้แต่ความรู้มันก็รู้โดยความสะดวกก็เพราะความสงบแม้การกระทาเราก็ทำโดยความสงบหรือทำาดยความสุข มันก็มีแต่ความสะดวกมันก็มีแต่ความสบายนะมันไม่มีความวุ่นวายนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในความสงบนั้นนะก็ได้เกี่ยวความรูนะ้คือปัญญานะมันจะเกิดขึ้นยิ่งมีความสงบละเอียดแน่นอนเท่าไหร่ ยิ่งความรูนะ้มันยิ่งดีขึ้นเท่านั้นความเข้าใจก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นเราควรที่จะทำความสงบนั้นนะให้เป็นผลของการภาวนาเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นผลสำหรับการกระทาการภาวนาก็นอกจากความสงบนะ เมื่อเราต้องการความสงบละ่ะอะไรมันสงบเราก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความสงบอีกด้วยเรามาทำอะไรให้มันสงบเราก็มาทำใจของเราให้สงบนะความสงบนั้นน่ะก็คือใจนั่นะ ก็นอกจากใจหรอจะมีอะไรสงบเมื่อมันสงบละ่ะความตั้งมั่นหรือว่าความมั่นคงในความสงบนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธนะิสมาธิก็แปลว่าตั้งใจมั่นก็เมื่อมันตั้งใจมั่นเราจะไปหวั่นไหวทาไมละ่ะ ก็ทําให้มันอยู่แล้วทําให้มันได้แล้วเราควรที่จะทําความดีใจดีใจกับสิ่งที่เราได้ดีใจกับสิ่งที่เราเป็นดีใจในสิ่งที่เรามีที่มันเกิดขึ้นเราควรทําความดีใจสิเพราะใจนะ่ะมันเป็นของที่หายาก มันไม่ใช่ว่าของที่จะทำได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าของที่จะสงบได้ง่ายๆต่อเมื่อมันสงบให้แล้วเนี่ยความสงบมันอยู่ตรงไหนล่ะลให้มันสงบที่ไหนให้มันไปสงบในที่อื่นนั้นน่ะไม่มีใครรับรองหรือว่าในคําสอนก่าก็ไม่รับรองว่าไปสงบข้างนอก ความสงบนั้นล่ะท่านประสงค์เอาภายในท่านประสงค์เอาทางจิตเพราะจิตมันอยู่ข้างในเนะี่ยเมื่อจิตมันอยู่ข้างในล่ะความสงบล่ะมันก็อยู่ข้างในนะก็สงบภายใ น, ในสกลกายของเราเนี่ยเมื่อมันสงบภายในนี้ล่ะ มันเพื่ออะไรจรึงสมสงบตรงนีน้ก็เพราะสถานที่ที่ตั้งแห่งความสงบมันอยู่ตรงนั้นเมื่อมันสงบขึ้นมาแล้ ว, ลวมันจะรู้อะไรมันก็รู้ความสงบนั่นแหละแล้วลมันก็รู้แห่งความสุขอันที่มันเกิดขึ้นจากความสงบนั่นแล้ ว, ลวความรู้อื่น ที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จ ะ, จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นมันก็ไม่ได้ไปหาอะไรนะเราหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ของเราน่นะความสงบและความสุขนั้นมันคืออะไรความสงบและความสุขนั้น น, ะนั้นนะ่ะเรียกว่าตัวบุญ ที่นี้เราจะไปเอาบุญที่ไหนบุญนอกจากจิตบุญนอกจากใจนั่นแล้วมันมีที่ไหนแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรถ้ามันอยู่นอกใจใจนั่นะมันเป็นบุญแล้วมันจึงสงบและมัน จ, งงนจึงสุขกับความสุขของใจนั่น จึงได้เรียกว่าบุญ น, ะนั่นแหละว่าตัวบุญมันอยู่ตรงตรงที่ใจนะั่เราก็ควรที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นทีนี้ถ้าจิตใจของเรามันเร่าร้อนจิตใจมันวุ่นวายจิตใจมันเป็นทุกข์ในเมื่อความเป็นทุกข์ ทุกเกิดขึ้นจากใจนะั่นนั่นท่านเรียกว่าจิตมันเป็นบาปเรียกว่าอากุศลละจิตคือจิตมันเกิดด้วยจิตมันเป็นทางอากุศลมันเป็นไปในทางบาปนะแล้วมันก็ตรงกันข้ามทำให้เราเราร้อนทำให้เราวุ่นวาย ทำให้เราก็สับกรสายทำให้สารพัดทั้งที่มันไม่เคยเป็นมันก็เป็นทั้งที่ไม่เคยร้อนมันก็ร้อนมันสารพัดที่มันจะต้องเป็นนั่นเรียกว่าจิตมันเป็นไปในทางอากุศลเพราะมันเป็นบาปที่นี่เมื่อความสงบเข้าไปแล้วนะ่นแะมันก็ไปรังงับพวกบาปนะั่นแหละ ระงับความวุ่นวายนะนะั่นแหะระงับความเลาร้อนนะั่นะสุกมันก็เกิดขึ้นมาแทนนะเมื่อสุขมันเกิดขึ้นมาแทนสุขนั้น น, ะนั่นล่ะเขาเรียกว่าบุญนะก็บุญไม่ใช่หรือที่เราพากันมาเาะแสวงหากันอยู่ที่เรามาทำกันอยู่ ก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะเราปฏิบัติธรรมะก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะให้บุญละมันเกิดขึ้นถึงจะเกิดธรรมะขึ้นแต่ว่าผลของการธรรมะที่จะมันจะเกิดขึ้นมันก็คือตัวบุญนั่นแหละขนะั้งแรกเราก็ต้องเอาบุญซะก่อนสิแต่ความสำเร็จนั้นเอาไว้ที่หลังสิ เราก็อยาพึ่งสิให้มันสงบมาซะก่อนสิให้มันเป็นบุญเป็นกุศลซะก่อนให้จิตของเรานั้นห้มันพร้อมไปด้วยความสุขซะก่อนให้จิตของเราพร้อมไปด้วยความสงบซะก่อนแล้วมันจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลให้มันจึงจะระงับบาปอากุศลในจิตของเราได้ที่นี่ก่อนที่มันจะสงบได้เนี่ย เราจะทำอย่างไรล่ะเราจะไปใช้ความคิดอยู่ความคิดมันไม่ใช่ความสงบสิความสงบนั้นน่ะมันปราศจากความวุ่นวายแห่งความคิดก่อนที่เราจะปราศจากความวุ่นวายแห่งความคิดเราควรทำยังไงล่ะควรโอปะนายิโกล ก็น้อมเข้ามาสิน้อมจิตของเราเข้ามาสิอย่าไปตามกระแสะโลกคือโลกกะระทำมีความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ก็เรียกว่าโลกกะระทำทั้งนั้นแ่ะหรือว่าความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสที่เรียกว่า อิทธาลมบ้างอ น, นิธานลมบ้างก็สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นกระแสของโลกจิตมันก็มักจะไปตามกระแสโลกเมื่อเราทราบว่าจิตของเรามันไปตามกระแสโลกนะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ว่าโอปนาจิโกก็คือน้อมเข้ามาน่ย เอฮิปัสซิโกก็ควรเรียกให้เข้ามาปัจจตังเราก็รู้เฉพาะตนเราก็มารู้เฉพาะตนดิเราก็เรียกเข้ามาดิเรียกเข้ามาแล้วเราก็รู้เฉพาะดิมันจะอยู่หรือมันจะไปมันจะกลับอกาอวกแวกอะไรตรงไหนเราก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ดิ ตังไว้ตรงนั้นล่ะก็ตรงที่มันจิตนั่นะมันจิตตรงไหนมันปุงตรงไหนมันไปอย่างไงมันมาอย่างไงเราก็ควรที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นตรงนั้นนะอย่าปล่อยจิตของตัวเองนั่นนะให้ละเลงหลงไปตามอาการแห่งความหลง อย่ามัวเมาไปตามอาการแห่งความมัวเมาอย่าประมาทไปตามแห่งความประมาทให้พยายามแก้ไขปัญหาจิตของตัวเองให้ได้ให้เรียกเข้ามาให้กาหนดเข้ามาเข้ามาอยู่ตรงไหนล่ะก็ท่ามกลางหน้าอกเราอยู่ตรงไหน ที่เรียกว่ามัจจิมาคือความเป็นกลางมาตั้งอยู่ในความเป็นกลางสิก ล, งล ก, กลางโลกกลางโลกกระทำน่ะกลางอิทธาลมกลาง อ, อนิธาลมอิทธาลมก็ได้เกี่ยวความยินดี อ, อนิธาลมได้เกี่ยวความยินร้ายก็อยู่ในระหว่างกลางสิ ความยินดีทั้งที่มันเป็นอดีตความยินดีทั้งที่เป็นไปในทางอนาคตเราก็ไม่ต้องไปอยู่ในระหว่างความเป็นกลางอดีตอยู่ในระหว่างความเป็นกลางในอนาคตให้ใจนะ่ะมันหลบมุมอยู่ในระหว่างความเป็นกลางออย่าไปตาม ถ้าไปตามเมื่อไรเรา่าจิตของเรามันก็วุ่นวายเมื่อ น, นั้นสิทีนี้เราจะไปหาความสงบที่ไหนล่ะทีนีน้และเราจะไปหาความสุขที่ไหนเราจะไปหาตัวบุญที่ไหนบุญที่ไหนมันจะเกิดแล้วมันจะเกิดขึ้นจากไหนก็บุญที่มันก็เกิดขึ้นจากความสงบนั่นนะอยู่ด้วยความเป็นกลางซะก่อนสิเบื้องตน้น ที่พระพุทธเจ้ามาให้ไปตามกระแสโลกท่านให้อยู่ในปัจจุบันเรียกว่าปัจจุปันนงังคือให้อยู่ในปัจจุบันเราก็กําหนดในปัจจุบันคือขณะนี้อยู่ในถ้ำกลางหน้าอกนี้เราอยาได้สง่งจิตคือส่งความจิตของเรานั่นออกไปข้างนอก เราก็โอปปนาจิโกเข้ามาสิเราก็เรียกเข้ามาสิให้มาอยู่ในความเป็นกลางอ่ะนะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้ดีอย่าไปหลงละเลงในความหลงละเลงในอารมณ์ต่างๆให้อยู่ด้วยความเป็นกลางให้ตั้งอยู่ และให้มันรู้อยู่ทำให้มันดีขึ้นมันสงบเบื้องต้นเราก็อยากว่าเราได้มันก็ได้เฉพาะเบื้องต้นนะ่ะต่อไปมันจะได้หรือไม่ต่อไปมันจะอยู่หรือไม่ความเป็นอยู่ของมันอนะมันจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นในความเป็นอยู่ของมันหรือไม่เราตั้งข้อสังเกตไว้ให้ดีนะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเขานะ่ะมันมากนะความรู้ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนมันมากนะแต่มันก็จะต้องเอาสิ่งที่ผิดนั่นแหละมาให้เรารู้ซะก่อนและเราก็รู้สิ่งที่ผิดนั่นแหะแล้วก็จึงมันก็จึงจะรู้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิด ถ้าเราไม่มีความผิดแล้วเราจะไปรู้ผิดได้ยังไงและเราจะไปรู้ถูกได้ยังไงมันมาทั้งมีมันมาทั้งความผิดและมันก็มาทั้งความถูกเรามารู้ความผิดนะที่มันเกิดขึ้นนะอย่างที่เราเคยกระทมาหรืออย่างที่จิตของเรามันเคยไป โมโหโธโสหรื อ, อว่าความโลภโกรธหลงอะไรมันเกิดขึ้นซึ่งมันพาให้สร้างกรรมสร้างเวรมามากนะเมื่อมันเกิดขึ้นนะก็สิ่งเหล่านั้นแนะ่ะมันก็จะมาเตือนเราก็สิ่งเหล่านั้นแนะ่ะมันจะมาบอกเราก็บอกให้เรารูนะ้ก็ความโลภมันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจาก ก็จากกิจนั่นนะเกิดจากคนคนเดียวนั้นลนะ่ะโลกทั้งโลกเนะี่ยมันรูปไปหมดคุณธรรมทั้งหมดมันก็รู้ไปหมดก็คนคนเดียวนั่นนะก็คือใจนั่นนะเมื่อรู้แล้วว่าใจน่ะเป็นผู้รู้นะั่นะสมควรอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องแสวงหาใจของตัวเองให้ได้สมควรอย่างยิ่งที่เราควรจะทำใจของตัวเองให้รู้และให้ตั้งอยู่ให้ได้ไม่ให้มันกลับกอกวอกแวกหรือว่ามันไม่ให้มันไปเที่ยวทางไหนให้มันอยู่ภายในเนี่ยสำหรับความเห็นในตัวของเขานี่ะมันเห็นทุกได้ คือมันไม่มีข้างหน้ามันไม่มีข้างหลังมันไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีบนมีล่างเขามีตาอยู่รอบตัวเขาสำหรับจิตนั่นเรียกว่าตานอกตัวมันมองอะไรมันได้หมดแม้จะอยู่ข้างหน้าข้างหลังอะไรก็ตาม มันมีคุณภาพเต็มตัวของเขาอยู่แล้วนะเราไม่ต้องสงสัยแล้วแม้แต่เรานั่งเมื่อจิตสงบนะเรานั่งหันหน้าไปทางตะวันออกแต่เมื่อเราปรากฏความรู้และความเห็นแต่มันเห็นอยู่ข้างหลังนะแต่มันเป็นไปได้ยังไงที่มันเป็นไปได้ก็เพราะอะไรนะเพราะมัน ไม่มีหน้าไม่มีหลังมีตลอดมีหน้าตลอดข้างหลังก็เป็นข้างหน้าซ้ายขวาก็เป็นข้างหน้าข้างหน้าก็เป็นข้างหน้ามันมีตาอยู่รอบด้านสำหรับจิตนั่นแหะแต่ข้อสำคัญนั่นนหละก่อนตาที่มันจะเกิดขึ้นจา ก, กจิตนั่นนหะ เราควรจะทำยังไงมันจึงจะเกิดขึ้นได้เราทำยังไงมันจะเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นได้โดยตาในนะ่ะเกิดขึ้นได้ด้วยความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธนะิสิ่งทั้งหลายมันมาเกิดให้เราเห็นหมดัล้นนะจะเป็นนิมิตเครื่องหมายต่างๆ ทั้งที่เราคิดว่ามันไม่ไม่มีทั้งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อความสงบมันเกิดขึ้นแล้วนะแต่สิ่งเหล่านั้นมันมาได้ยังไงและมันมีมาได้ยังไงมันมีมาในตัวของเขาเนะนะี่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมันอะไรมันเกิดขึ้นนะ และจิตมันอยู่กับอะไรนะก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะเหมือนก็เรื่องของกิเลสนะนะ่ะมันแสดงภาพแสดงมนโนภาพแสดงความผิดก็แสดงความถูกก็มันแสดงมันมาในตัวของเขานะนะ่ะก็ตัวกิเลสนะนะ่ะที่มันแสดงขึ้นนะ แสดงให้เป็นภาพอย่างนั้นแสดงให้เป็นภาพอย่างนี้แสดงแม้กระทั่งถึงกรรมเวรของตัวเองที่ได้กระทํามาแล้วแต่อดีตชาติมันก็นํามาแสดงให้เห็นแม้กระทั่งถึงอนาคตซึ่งเราไปสามารถที่จะรู้ได้ด้วยจิตธรรมดาแต่เมื่อมันมีความสงบแล้วนะ่ะ แต่กิต น, นมันสามารถที่จะรู้ได้ก็รู้ได้ด้ยความสงบเหมือนองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าน่ะพระองค์ที่รู้อดีตของพระองค์นั่นซึ่งเรียกว่าภูเพนิวาสานุสติยา น, น, นแต่ยานที่พระองค์ได้เห็นเนี่ยพระองค์ได้ยานนั่นได้ด้วยอะไร ก็ได้ด้วยสมาธิจิตนั่นแหะก็ได้ด้วยความสงบจิตนั่นแหะถ้าจิตไม่มีความสงบถ้าจิตไม่มีสมาธิถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นปุเพนิวาสานุสติญาณ น, นั่นแหะจะเกิดขึ้นได้ให้พระองค์ได้รู้เห็นหรือไม่ก็เป็นไปไม่ได้ ก็ต้องอาศัยว่าจิตนั้นน่ะมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิญาณเบื้องต้นจึงเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วน่ะทำให้พระองค์นั้นรู้อดีตชาติที่หนึ่งชาติที่สองชาติที่สามจนตลอดถึงยี่สิบชาติสามสิบชาติ ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแล้วก็แสนชาติพระองค์ก็ยังรู้ได้นะก็รู้ได้ในอดีตแต่การรู้ได้นะ่ะไม่ใช่รู้เฉยๆนะพระองค์ก็ไปเห็นด้วยนะอย่างพระองค์เห็นพระชาติของพระองค์ที่เป็นสวยพระชาติเป็นเวสสันตระชาดก ว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรในสมัยนั้นก็ตัวเองนั้นก็เป็นเวศสันธละชาดกเป็นเวศเป็นพระเวศสันดรเมื่อเวศสันดรนก็อยู่ในกรุงไหนอยู่ในเมืองไหนพระองค์ก็ทราบ พ, พระราชบิดาชื่ออะไรก็ทราบแม้แต่อค า, ามหามเมห์ศีของพระองค์ก็ทรงทราบ ตลอดถึงพระราชบุตรราชบุตรีก็ทรงทราบถึงจะมีก ร, รมขับไล่เข้าไปอยู่ในป่าในเขาแต่พระองค์ก็ทรงทราบและพระองค์ไปเห็นได้ยังไงเห็นชาติของพระองค์เห็นได้ยังไงที่เห็นด้วยบุพเพนิวาสารสติญาณที่เราเอามาใช้กันอยู่ ถึงหน้าเทศการก็พากันทําบุญมหาชาติก็เอามาจากไหนพระองค์ไปศึกษาที่ไหนพระองค์ไปเรียนที่ไหนพระองค์ไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนพระองค์ก็ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนพระองค์รู้และเห็นในทางปุเพนิวาสานุสติยาน คือญาณของพระองค์ที่เกิดขึ้นด้วยการกระทาจิตของพระองค์นั้นให้มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิเนะี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเองนะใครละใครแต่งให้เกิดขึ้นแต่งญาณให้เกิดขึ้นก็ไม่มีใครแต่งพระองค์ก็บอกว่ามันเกิดขึ้นเองก็อย่างนี้แหละ เรียกว่ารู้อดีตแต่มันรู้ได้แต่มันก็เห็นได้ก็ด้วยการที่ว่าทําจิตเนี่ยทาจิตให้มีความสงบและตั้งมัน่นเป็นสมาธิเท่านั้นนะอันนั้นเป็นญาณของพระพุทธเจ้าแต่เราก็เอามาเป็นตัวอย่าง แต่พระองค์ก็ไม่ได้จำกัดว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะแต่เราคนเดียวถ้าใครมีจิตและมีใจผู้นั้นก็มีคุณสมบัติอันนี้อยู่ภายในตัวของตัวเองได้ทุกคนท่านก็บอกว่าอย่างนี้แหละที่ี้เมื่อเรามาทราบอย่างนี้แหละ เราก็ไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนอย่างพระองค์เราก็ไม่คิดว่าจะให้สาเร็จเหมือนอย่างพระองค์เอาพอรู้ว่าคุณค่าของจิตจิตที่มันมีความสงบแล้วนะมันมีหูมีตาอยู่ในตัวนะ เรียกว่าจะขู่ทิพย์หรือว่าโสตทิพย์แล้วมันมีก่อนที่จะมีได้นะจะมีได้เพราะอะไรก่อนจะเกิดขึ้นได้ได้เพราะอะไรก็เพราะความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิคนที่จะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ สมาธิน่ะก็จะเกิดขึ้นแบบที่ว่าคิดเอาง่ายๆนั่นหรือมันเป็นไปไม่ได้สมาธิก็ต้องอาศัยการกระทําการกระทําก็คืออาศัยการภาวนาการภาวนาก็คือการกําหนดจิตคือกําหนดใจแล้วก็มีการบริกรรม ในเมื่อที่มันยังไม่สงบและเรามาฝึกกันใหม่เราจะต้องมีการบริกรรมคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เราจะถนัดแต่โดยมากสำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยปฏิบัติในดงในป่าในเขาท่านก็เอาแต่คำภาวนานะคือคือพุทธโธ ท่นใช่แต่็บบพุทโทคือมันแก้ความกลัวท่านบอกใครมีความกลัวนั้นอาศัยอำนาจแห่งความเป็นพุทโทอาศัยคำบริกรรมคือพุทธโทแม้แต่มันจะสงบโดยพุทโทจิตมันก็กล้าจิตมันก็ไม่ได้หลงไหลจิตมันก็ไม่ได้กลัวและอาศัยคำภาวนาอันนี้แหละ ก็คือพุโทโธน่ะนะเบื้องต้นเมื่อเราบริกรรมไปเมื่อเราทำไปน่ะนะเมื่อชำนิชำนานจิตมันก็อยู่ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยู่ด้วยพระคุณของพระองค์แล้วนะแล้วมันก็เกิดความสงบเมื่อมันเกิดความสงบจิตมันก็ลงสู่ฐานที่ตั้ง เมื่อจิตลงสู่ฐานที่ตั้งคือถ้ำกลางหน้าอกะนะั่นจิตมันก็เลยไปตั้งมัน่นเมื่อจิตมันตั้งมัน่นนั้นละก็เรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วนะยานจะเป็นยา น, นชนิดไหนก็ตามยานมันก็ต้องเกิดขึ้นบ้าง แต่ก็คงจะไม่สามารถที่จะเห็นได้เหมือนอย่างพระองค์เห็นพอเป็นหลังๆเห็นพอเป็นเข้าๆพอที่เราจะมองออกว่าคุณค่าของความเป็นสมาธินี่ยมีความสามารถที่จะเป็นได้ดังคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวเอาไว้เนี่เราก็จะได้รับรองเอาคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะเรามาทําให้มันสงบเนี่ยเพราะฉะนั้นนะความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินี่ยจึงเป็นของที่มีคุณค่าสามารถที่จะให้เกิดขึ้นได้ในสิ่งที่ไม่เกิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นี่นะ่ะก่อนที่มันจะเป็นได้ เราจะทำยังไงนะมันจะมันจะตั้งมันนะ่นเราก็รู้กันลนะสมาธินะั่นเราก็ดูแล้วในตำรานะ่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานะสมาธิอย่นีก็มีสองหรือมีสามเราก็รู้ละคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินี่ในตำราท่านกล่าวเอาไวานะ้ ก็รู้กันทุกคนในตำรานะแต่สมาธินั่นอยู่ในตำราหรือว่าอยู่ที่ใจแต่ตำรานั้นมันเป็นตัวหนังสือเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ตัวสมาธิจริงๆตัวสงบจริงๆ คือใครก็ได้แก่ใจของเรานะ่นะก็ตัวใจนั่นะเป็นตัวสมาธิไม่ใช่นังสือเป็นสมาธิเมื่อเราไปท่องได้แล้วและตีความหมายของสมาธิได้แล้วเราจะถือว่าเราได้สมาธิหรือก็หายใช่ไหมก็เมื่อใจของเรายังหาความสงบ และหาความตั้งมั่นไม่ได้ปราบใดนะนั้นล่ะยังไม่ใช่เป็นสมาธิเมื่อไรทำใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ก็เมื่อนั้นน่ะจึงได้เรียกว่าสมาธิแท่ตัวแท่ของสมาธิน่ะมันอยู่ที่ไหน มันก็อยู่ใจของเรานีไม่ใช่หรือเมื่อเรามาทราบว่าสมาธิอยู่ที่ใจและใจของเราเป็นสมาธินะสมควรอย่างยิ่งเราก็ควรที่โอปนาจิโกความเป็นสมาธิคือเรียกจิตของเราเข้ามาน้อมจิตของเราเข้ามา เข้ามาเพื่ออะไรก็เพื่อตั้งมัน่นเพื่อให้มันมั่นอยู่ตรงนี้มั่นอยู่ตรงไหนก็ตรงถ้ำกลางนั่นเวลาสงบมันจะไปสงบตรงไหน่ะก็เมื่อมันสงบข้างในก็หาว่ามันสงบข้างในแล้วจะไปเอาก็สงบข้างนอกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเมื่อมันสงบข้างในเนี่ยมันระงับความวุ่นวาย มันระงับความฟุ้งซ่านมันระงับความเดือดร้อนมันทำให้ใจของเราเยือกเย็นมันทำให้ใจของเราเป็นโสกแต่เมื่อมันเป็นใหม่ยังไม่เคยก็เป็นของธรรมดาเราก็จะต้องมีความสงสัยเพราะมันไม่เคยมีมาแต่ก่อนจะสงสัยว่ามันผิดหรือว่ามันถูก ความผิดความถูกนี้เราจะต้องสงสัยเพราะเรายังไม่เคยพอเรามาทราบนานเข้านานเข้านะ่และได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรืออ่านหนังสือในตำราพอเราเข้าใจมาก็หายสงสัยเพราะสมาธิเพราะความตั้งมั่นนะ่ะมันอยู่ที่ใจนะ่ะมันมาตั้งมั่นอยู่ที่เรามันไม่ได้ใช้มั่นอยู่ที่ในหนังสือนะ หนังสือท่านบอกบอกให้เราทำใจมั่นบอกให้เราทำความสงบบอกให้เราภาวนาบอกให้เราปฏิบัติมันอยู่กับเราทั้งนั้นนะที่เมื่อเรารู้ว่ามันอยู่กับเราทั้งนั้นนะการที่มันเป็นนั้นนะมันก็จะหายสงสัยมันไม่ใช่เรื่องเราที่จะไปสงสัย เพราะเรามารู้แล้วเพราะมันเป็นของจริงแล้วเพราะของจริงมันเกิดก็มันเกิดอยู่ภายในมันไม่ใช่เกิดภายนอกแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์มีความสงบดั่งมันเป็นสมาธินะพระ อ, องค์ไม่ใช่ว่าต้นมหาโพธิเป็นสมาธิ พระองค์ก็ไม่ได้เอาไอ้บรรลังที่พระองค์มาปูนั่งเป็นสมาธิพระองค์ก็กล่าวว่าใจของพระองค์เป็นสมาธิสมาธิก็คือดวงหฤทัยใจของพระองค์แล้วปัญญาญาณที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เกิดขึ้นจาก ต้นมหาโพธิ์และปัญญาก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ที่ต้นมหาโพธิ์และมันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่หัวใจแล้วก็เกิดขึ้นที่ใจปัญญาญาณก็เกิดขึ้นตรงนั้นสรุปแล้วก็คือเกิดขึ้นในหัวใจนั่นแหะเมื่อเรามาทราบซึ่งถึงเรื่องของธรรมะ อันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมารวมอยู่ที่หัวใจเมื่อเรามาทราบว่ามารวมอยู่ที่หัวใจนะ่ะสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาใจของเราให้เป็นสมาธิสมควรอย่างยิ่ง ที่เราจะมาต้องทำที่เราจะต้องมาทำใจของเราให้สงบสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำใจของเราให้เกิดปัญญาสมควรอย่างยิ่งที่เราควรจะรวบรวมธรรมะมาเอาวม า, าไว้จุดเดียวคือที่หัวใจของเราเท่านั้นถึงแม้จะเป็นร่างกาย แต่เราก็เอาร่างกายนี้ไปกระทำแต่ธรรมะที่ว่ามันเป็น เ, เป็นส่วนในร่างกายในร่างกายที่เป็นธรรมะเป็นแต่เพียงว่ารูปธรรมแต่รูปธรรมนี่หาได้ไปไหนไหม่ไม่ได้เอาไปเป็นไม่ได้ว่าจะเอาไปเป็นมรรคไม่ใช่ว่าจะเอาไปเป็นผล ไม่ใช่ว่าจะเอาไปสู่พระนิพพานเหมือนดังที่เราจเจริญกรร ม, มาฐานเมื่อจเจริญกรร ม, มาฐานนะเมื่อรู้กรร ม, มาฐานแล้วเข้าใจในกรร ม, มาฐานแล้วแตกฉานในกรร ม, มาฐานแล้วเราจะนำเอากรร ม, มาฐานนี่นะไปเป็นมรรคไปเป็นผลและจะนำไปสู่พระนิพพาน และมีพระอริเจ้าองค์ใดมีพระพุทธเจ้าองค์ใดที่หอบร่างกายขึ้นไปสู่พระนิพพานจะเป็นผมก็ดีเป็นขนก็ดีเป็นเล็บก็ดีเป็นฟันก็ดีเป็นหนังก็ดีเป็นเนื้อก็ดีเป็นกระดูกก็ดีเป็นตับเป็นไตเป็นไส้เป็นพุงก็ดีรวมแล้วก็คือร่างกายนั่นแหะที่ว่าเป็นกรรมฐาน เมื่อพระองค์ได้สาเร็จแล้วนะสาเร็จในกรรมฐานแล้วนะแล้วมีพระพุทธเจ้าองค์ใด น, นะนำเอากรรมฐานไปนิพพานมีพระอริยเจ้าองค์ไหนนำามาพระนิพพานเอานำเอากรรมฐานไปนิพพานไม่ได้เอาไปเมื่อมารู้พระรู้กรรมฐานนะนะละกรรมฐาน เมื่อมาเห็นกรรมฐานก็ทิ้งกรรมฐานไม่ใช่พระเอาไปคือมาพินิษพิจารณาในสกลกายของเรานี่เราจึงเรียกว่าเป็นกายากตาสตินะพิจารณากายเนี่ยให้มันเป็นของปฏิกูลนะ่ะเกียรติโสโครอะไรตามตำราทันวาน่าตลอดถึงความเป็นอนิจจังคือความแก่ความเจ็บ ค, ความตายอะไรนะ่ะ ก็มันเป็นเรื่องของเกบเรื่องของร่างกายนะที่เราเรียกว่ารูปธรรมนะ่ะใครละจะเอารูปธรรมไปสู่พระนิพพานพอมารูแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็มีอย่างเดียวก็คือทิ้งทิ้งกรรมฐานและจะเอาไปทำาไมกรรมฐานนะ่ะมันเป็นของดีหรือ กลัลวอนจะเป็นของที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกนะไม่ได้เอาไปพันิพาณ น, นะเอาแต่คุณค่าของกรรมฐานที่พิจารณาได้แล้วแล้วคู่ที่อยู่ในกรรมฐานนั้นได้ถอดถอนออกจากกรรมฐานแล้วจะไม่ไปก่อกรรมฐานอีกต่อไปในข้างหน้าแล้วก็หนีเข้าไปสู่พริณิพาณ ก็คือไปแต่เฉพาะหัวใจเท่านั้นนะใจเท่านั้นแล้วเข้าไปถึงนะ่ะไปถึงพระนิพพานไม่ใช่เอาร่างกายไปนะถึงเราจะมาเจริญกรรมฐานหมดไหนก็ตามชนิดไหนก็ตามเข้าใจยังไงก็ตามไม่มีใครเอาไปที่เอาไปได้เนะี่ยไม่ได้เอากรรมฐานไป คือเอาใจใจนี่สำหรับไปถึงที่สดนี่พูดถึงเรื่องที่สดถ้านอกจากนั้นแม้แต่เราจะไปสู่สุขติสวรรค์ก็ไม่ได้เอาก ร, ร ม, มาฐานไปก็เอาใจใจนั่นไปสู่สุขติสวรรค์แม้จะไปสู่นรกก็ไม่ไดเอาก ร, รมไม่ไดเอากมาฐานไป ก็ไปตกจะพอใจนะ่ะแต่มันไปตกได้ยังไงล่ะตกนรกได้ยังไงอันนี้มันก็เป็นของแปลทั้งที่ไม่มีตัวมีตนแต่มันไปตกนรกแต่มันอยู่ไปอยู่ในหมอ้ออนร้อนแทนที่มันจะหนีก็กหนีไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมมันผูกมัดมันยังมีอัตตาอยู่ในตัวตนอยู่อัตตาอยู่ในตนอยู่ แล้วมันจึงไม่สามารถที่จะหนีได้นี้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อทราบซึ่งถึงว่าเรื่องธรรมะคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่หัวใจเมื่อเรามาทราบว่าอยู่ที่หัวใจเนี่ย เราท่านทั้งหลายชาวพุทธควรที่จะกระทำใจของตัวเองนั้นให้เป็นไปในทางความสงบ่ังมันเป็นสมาธิเป็นที่รวบรวมเอาซึ่งทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อเราผู้นักปฏิบัติเพื่อประสงค์ที่จะต้องคนทุกข แต่จะพ้นเวลาไหนจะไปได้เวลาไหนชาติไหนพบไหนอันนั้นก็สุดแท้แต่ท่านแต่บา ร, รมีของพวกท่านทั้งหลายที่จะนำพวกท่านให้พ้นไปจากอำนาจแห่งความทุกข์ดังนั้นล่ะที่ได้แสดงมาเนี่ยก็สมควรแกกระเวลาจึงขอยุติ การแสดงธรรมเทศนาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาอาวสานในอวสานการเป็นทีสดแห่งการแสดงธรรมเทศนานี้จึงขออำนวยอวยพรให้บรรดาท่านทั้งหลายราศจากซึ่งทุกโศกโกครคไัยไข้เจ็บและอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ประสบพบพ่านแด่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลที่บุญภูลผลปฏิพาัานธ์สนัสสมบัติและจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาพรดังได้แสดงมาก็สมควรเจระเวลาเอวังก็มีด้วยเจกรัชนี